เออเห็นคณะสัตยาติโยมลูกหลานหลายคนให้ตั้งใจเนอะลูกหลานเนอะในเช้าในหลวงพ่อก็พูดพูดเกี่ยวกับพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเรามาถึงปูนนี้แล้วให้พวกเราสํานึกไปอยู่เสมอว่าพวกเราไม่รู้จะอยู่นานไปสักเท่าไหร่ไม่รู้จะจากไปเมื่อไหร่ อันนี้ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันนะแต่เอาความจริงมาพูดให้กันฟังเอาความจริงมาพูดใครรับประกันชีวิตของตนเองได้บ้างว่าจะไปวันไหนไม่มีใครรับประกันได้ไม่ไมว่าน้อยว่านุ่มไม่ว่าเท่าว่าแกแต่ถึงยังไงทุกชีวิตต้องมีจุดจบไม่วันใดก็วันหนึ่ง พ่อก็เลยพูดเกี่ยวกับนี่แหละให้พิจารณาดูนะร่างกายของเราเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดก็คือกายยนครคือเป็นเมืองนึงกายยนครแต่ว่าผู้ปกครองกายยนครนั้นคือใครคือพญาจิตรราชคือจิตวิญญาณคือใจเป็นผู้ปกครองพญากายยนครเมื่อปกครองกายยนคร ว่าพญาจิตรราชมีความรุ่มหลงมัวเมาคิดว่าร่างกายนี่จะอยู่นานเท่านานไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีอะไรไว้แปลว่าพญาจิตรราชตั้งอยู่ในความประมาทเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะอยู่นานเท่านานพญามัจจุราชส่งทหารเข้ามา ลบกวนอยู่ตลอดพยามัจจุราชส่งทหารอะไรสรงทหารชลาพยาธิคือความชลาคือความแก่พยาธิคือความเก็บไข้ได้ป่วยมาลบกวนกายยนครอยู่ตลอดอันนี้คือพยามัจจุราชเอ่ยแย่งชิงเอากายยนครแต่พญาจิตรราชเนี่ยก็จะต้องสู้เท่น สู้ด้วยอะไรก็สู้ด้วยขุนพลนักรบออกไปสู้เกี่ยวกับชรลาพญาธิเอาขุนพลอะไรก็คือเพศขุนพล เ, เพศและก่อนพวกยานะพวกยาเนี่ยนะเราบอกเป็นขุนพลออกไปสู้กับชลาพญาธิเพศ โอสดไปขุนพลโอสถขุนพลขุนพลเพศัทออกไปสู้เวลาปวดศรีรษะขึ้นมานี่แหละพยามัจจุราชส่งทหารพยาธิเข้ามาเน่ะเวลาปวดหัวเขามาพยาโอสถกับเพษัทนี่ก็ใส่เข้าไปทหารเขาก็ล่าถอยไป พญาจิตรา ก, ก็ดีใจว่าตัวเองหายผลที่สุดเขาก็ลุกขึ้นมาเรื่อยๆเดยวก็ปวดนั่นเดยกกับปวดนี้นนพนหูน ก, ก, กตีมเมืองนั่นตีมุมนั้นตีมุมนี้พอจนะก็ตีฟันฟันหลุดตีผมผมหงอกตีตาตาฝ้าฟางตีหูหูตึงตีหนังหนังเหี่ยวอันนี้คือความฉลาดพร้อมกับพยาธิ แต่พยาจิตราชใจของเราเนี่ยยังลุ่มหลงมัวเมาไม่ได้สอบแสวงหาทรัพ์สมบัติเข้าเตรียมพร้อมแต่ตามจริงถ้าพยาจิตราชเตรียมพร้อมก็คือพยาจิตราชต้องสั่งสมกุณงามความดีให้ทานรักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาท มีแต่สั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของตนเองอันนี้ไปหวาพญาจิตราชไม่ประมาทเก็บพร้อมลอมริบถ้าหากว่ า, เ, าเมื่อพยามัจจุราชชราธิพญาธิชราพญาธิตีเมืองแตกนะพยามัจจุราชเข้ามาเหยียบเมืองนะอพญาจิตราชก็พร้อมที่จะ ขนซับสมบัติออกจากเมืองไปมาไปตั้งเมืองใหม่อีกอันนี้แปลว่าพญาจิตรราชตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่ถ้าว่าพญาจิตรราชตั้งอยู่ในความประมาทไม่ได้สนใจพอมาครองกายยนครก็มีตะกินเหล้าเมายาเที่ยวสเเัมภเลเทเม า, าไม่ได้สนใจประกอบคุณงามความดีนี่แหละเมื่อพญามัจจุราชเข้ามาแล้วก็ นี่แหละพญาจิตรราชทไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยวิ่งหนีออกจากกายยนครหางจุกตุดออกจากนั้นกั น, นั่นแหละไม่มีขุนงามความดีไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวเลยผลใสุดไปตกนรกกิจต่างหากไปเกิดเป็นสัตว์ทีา่ชาันไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นคนหูหนวกตาบอดบ้าใบเสียจิตอย่างพวกเราที่ทั้งหลายเห็นอันนี้คือพญาจิตรราชไม่ได้เตรียมพร้อม พอออกจากร่างนี้ไปก็นั่นนะ่ะตกต่ำแต่ถ้าว่าพยาจิตราเตรียมพร้อมนะออกจากร่างนี้แล้วก็ไปนู่นเออถ้าว่าสละกิเลส ต, ตัดกิเลสได้นะเออชำระกิเลสในใจของท่านได้นะ ท, นท่านก็สู่นิพพานเออไปวันหนีเลยอันนี้จากวงกงล้อ ก, กรรมเกวียนจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอีก อันนี้คือพยาจิตราชเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าตามคนนั้นลงมาก็มาเกิดเป็นพรหมเรียกว่าเกิดสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเปิดเกินมาเป็นเทวดาหลายชั้นหรืออย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่างน้อยก็ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาปฏิบัติอันนี้แหละคือพยาจิตราชเป็นผู้ไม่ประมาทแต่ถ้าพยาจิตราชประมาทก็ยังที่ นั่นล่ะมีต่วิ่งหนีออกไปเลยอันนี้ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะพวกเราจะต้องหนีแน่ๆไม่วันใดก็วันหนึ่งแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจไม่ใช่แต่ให้ทานอย่างเดียวเราไม่มีเงินทักคะมทรัพย์สมบัติเราไหว้พระทุกวันไหว้พระก่อนหลับก่อนนอนอวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราดูนาฬิกาไว้เลย เราจะทำคุณงามความดีสักหนึ่งชั่วโมงได้ไหมคือมีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจหนึ่งชั่วโมงได้ไหมวันหนึ่งแต่ถ้าว่าเราจะรักษาศีลแลสร้างคุณงามความดีหนึ่งชั่วโมงไม่ได้แสดงว่าเราประมาทแล้วแสดงว่าปยาจิตราชประมาทตั้งอยู่ในความประมาทประมาทอย่างมากเพราะนั้นขอให้พวกเราสังเกตตัวเอง ก่อนตอนก่อนรับก่อนนอนก็ไหว้พระปิดวิทยุปิดโทรศัพท์ปิดอะไรทุกอย่างตั้งอยู่ในความสงบในช่วงนั้นถึงมันจะรวยก็มันคงจะไม่รวยแบบปุบปับถึงจะจนก็คงจะไม่จนแบบปุบปับเหมือนกันเราต้องอยู่ในความสงบไปไหว้พระสวดมนต์จากนั้นก็นัน่งภาวนา หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอันนี้คือกรรมฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างนี้ท่านพระ ah ais, ik, พุทธเจ้าท่านมีแต่กําหนดลมหายใจเข้ารัว่าหายใจเข้าหายใจออกรัวหายใจออกอันนั้นคือกรรมฐานพระพุทธเจ้ากรรมฐานองค์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยท่านว่า ถ้ากำหนดลมหายใจเข้าออกเท่านั้นมันสั้นเกินไปมันหลุดได้ง่ายเพราะฉะนั้นให้บริกรรมหายใจเข้าบริกรรมพุดหายใจออกบริกรรมว่าโทพุดโทนอันนี้คือทางเลือกหนึ่งทางเลือกที่พระพุทธเจ้าวางไว้นี่สิบอย่างกรรมฐาน40สแต่หลวงปู่มั่นท่านท่านปฏิบัติมาท่านได้ผล บอกว่ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่ท่านได้ผลท่านบอกว่ากรรมฐานกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้เกือบถูกกับทุกจริตท่านก็ไม่ได้บอกว่าถูกกับทุกจริตไม่ใช่ถูกกับเกือบทุกจริตเพราะท่านให้พวกเราศรัทธาญาติโยมลูกหลานให้ปฏิบตัติตามแนวแถวหลวงปู่มั่นพาดำเนิน ทำไมจึงพูดอย่างนั้นหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยดูสิเมื่อท่านล่วงรับดับขันไปอธิธาตของท่านกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นจากนั้นลูกศิษย์ลูกหาหลวงหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆมีหลวงปู่ร่าลูกตาที่ท่านล่วงพึงล่วงลับดับขันไปกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็น ให้พวกเรามั่นใจว่านี่แหละกรรมฐานหรือว่าพ่อแม่กูบายจานสายหลวงปู่มั่นของเราเนี่เป็นสายของพระหันท่านบำเพ็ญจนได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลกระดูกของท่านอัธิธาตุของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุให้แก่พวกเราได้เห็นเรายังไม่สนิทใจเราจะไม่เชื่ออยู่เหรอเราจะเอาอยัางไงอีกนี่แหละอันนี้ก็คือให้พวกเรามั่นใจ พวกเราเดินเดินทางมาปฏิบัติตามแนวแถวหลวงปู่มั่นหลวงพ่อว่าไม่ผิดหวังแล้วก็พร้อมกันให้พวกเราศึกษาว่าหลวงปู่มั่นท่านปฏิบัติอย่างไรท่านแนะนําอย่างไรเนี่ยให้ฟังไม่ใช่ว่ากรรมฐานองค์หนึ่งพูดอย่างหนึ่งก็วิ่งไปตามองค์หนึ่งวิ่งหนึ่งก็วิ่งไปตามกรรมฐานสี่สบเขว่าออก อำหนดพุดทธานุสตีนะพุทธโธรำ ม, มานุสิอ่าทำโมสังคานุสตีนะัส้สังโคพอในสุดเปลี่ยนกรรมฐ า, านทั้ง40สบอย่างพวกเราคิดดูสิถ้าว่าเปลี่ยนอยู่บ่อยๆเหมือนกับเราปลูกต้นไม้นะปลูกแล้วก็ ย, ย้ายปลูกแล้วก็ ย, ย้ายปลูกแล้วก็ ย, ย้ายวันหนึ่งปลูกไม่รู้กี่ครั้งต้นไม้ต้นนั้นมันจะใหญ่ขึ้นมาได้ไหมพเพราะอะไรเพราะเราไม่มั่นใจ จิตใจของเราพวกเราลวนเลไม่มั่นใจไม่เชื่ อ, อในกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของของเราก็เปลี่ยนกรรมฐานไปเรื่อยนี่แหละจะเจริญรุ่งเรืองงอกงามได้อย่างไรเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายนะฟังให้ศึกษาตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นนี่ยนี่แหละกลางคืนให้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาที่สถานีวิทยุของพวกเราเนี่ย ตอนหัวค่าถ้าเรามันงวงเงีย์อยู่มันอยากมันเหนื่อยเราก็ไหว้พระเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาไหว้พระอรหังสวาคขาโตสุปฏิปโนโนโมตัสสะพุทธังธรรมังสังขังตามที่พวกเราจะสวดได้จากนั้นก็แผ่เมตตาอรหังสุขิโตโหมิ้าเราไม่ได้เป็นภาษาบาลีเราก็คิดนึกคิดในใจเออข้าไปเจ้าตองการความสุขอย่างไร ผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆวิญญาณด้วยเทินอันนี้ก็คือเราแผ่เมตตาเป็นภาษาใจจากนั้นก็นั่งภาวนานหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทหลวงพ่อเคยแนะนำํำไปที่ไหนหลวงพ่อก็เคยแนะบอกว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าใจของเราเนี่ มันหลุดง่ายขนาดไหนให้พวกเราบริกรรมนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสา7สี่ห้ากจ็ดจนถึงร0 0ยแล้วก็กลับมานับหนึ่งใหม่อีกหนึ่งสองถึงร้ถ้ามันไม่เผลอแสดงว่าสติของเราดีมันเผลอมันจะเป็นยังไงหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสหายใจออกสหายใจเข้าหนึ่งมันเป็นเลขขี้ 3ก็เป็นเลขขี้5้าก็เป็นเลขคี่7ก็เป็นเลขขี้นะแปลว่าเข้าเนี่ยเป็นเลขขี่ออกเป็นเลขคู่นะแต่ถ้ามันจะเบอร์เบอร์แล้วมันจะหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขขีออขขนะ้แสดงว่าเราขาดสตินี่แหละเราไม่ต้องดูไกลดูใกล้ๆเอาสติจับที่ปลายจมูกของเรานะั่นะถ้ามันเผลอมาเราต้องพยายามตั้งสติให้แข้มแข็งขึ้นแต่อย่าไปแต่งลม มีแต่ว่าตั้งสติให้มันเข้มแข็งขึ้นหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสาสี่ห้าแต่ถ้าว่าเราหายใจเข้ายังไม่ถึงสองสามยหลุดไปแล้วหายใจเข้ามาหลุดไปแล้วไม่น่าไว้ใจนะไม่น่าจะหัวเราะกับการหลุดของสตินะแอมเผลอๆเราเป็นบ้านในง่ายๆนะเพราะเหตุไรเพราะมันคนขาดสติบ่อยๆต่อไปกระ ป, ป, ป, ปั้มๆเปลอๆเบอรเบบาบาไปเลยทีนี้แหมเพราะอะไร เพราะมันขาดสติเพราะนั้นเราต้องฝึกสติให้เข้มแข็งหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทถ้ามันทดลองดูอีกหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองถ้าถึงร้อยแล้วก็เออเอกจากนั้นก็บริกรรมพุทธโทพุทธโทไปเรื่อยละทีนี้แต่ถ้าหากว่าเรายังขาดสติอยู่แสดงว่าสติของเราอนะ่อนให้พวกเราสังเกตยอย่างนั้นนะแต่นี้จากนั่นก่ น, นี่ะให้เรา ปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นะหลวงตาท่านก็บอกนะแต่ก่อนท่านกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกไม่ได้บริกรรมพุทโธทําให้จิตใจของท่านหลดุดขาดไปได้ง่ายๆจากนั้นท่านก็เลยไปอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านก็บอกเอาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะบริกรรมกรรมฐานเท่านั้น เราจะไม่กำหนดอย่างอื่นให้บริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเวลาเดินยังกกมขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทเวียงซ้ายโทเพื่อมีสติอยู่ทุกริยาบทในการเป็นอยู่เนี่แหละท่านว่าวันแรกสองสามวันแรกโอ้เป็นงานที่หนักมากเพราะบังคับใจให้อยู่กับตัวเองแต่พอวันที่สี่ที่ห้าทน พอบังคับใจมันอยู่กับตัวเองแล้วเออนั่นแหละจึงรู้ได้ว่าเราจะไม่เสื่อมไม่เจือยไม่เสื่อมจากสมาธิแต่ก่อนมันเสื่อมบ่อยอันนี้ก็คือความการประพฤติปฏิบัติของหลวงตาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาทโยมลูกหลานทุกคนนะให้ภาวนาเมื่อเราภาวนาแล้วนะั่นนะใจของเราจะเข้าสู่ความสงบมีความเยือกเย็นเยือกเย็นเป็นสุขนะ เ, ออเมื่อเรา เท่าแกชลาต่อไปภายภาคหน้าแต่ไม่มีใครเราจะไม่เท่าแกไม่ชลาเมื่อเราเท่าแกชราจิติของเราก็อยู่กับตัวเองจติของเราอยู่กับตัวเองเมื่อจะติอยู่เราอยู่กับตัวเองแล้วพวกเราจะไม่ว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมพราะเรามีสติอยู่เรารู้จักพอป่วยหนักขึ้นมาหรือว่าแกเท่าจะมาเออถึงข่าวเราจะไปแล้วเหรอเนีเออ่เราจะไปก็ไปสิ เราจะอยู่ร้อปีพันปีได้ยังไงคนอื่นเขายัางไปเราจะอยู่ได้ยังไงชีวิตของเราเราทําคุณงามความดีเพียงพอหรือยังอย่างพยาจิตลาศอย่างที่หลวงพ่อพูดนะถ้าพยาจิตลาศไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจเอาไว้มีแต่เที่ยวมีแต่เล่นปล่อยปะละเลยเวลาบัตจุราชเข้ามาเหยียบคอปีพคอเราใจจะขาดเราก็ไม่ได้ได้อะไรเลยมีแต่วิ่งหนีความตายเท่านั้นะ พผลงานก็เป็นคนวิญญาณที่ทุกจนไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์ที่ได้ฉานมาเกิดเป็นมนุษย์กับเป็นคุณพิกงพิการหูหนวกตาบอดไปได้นี่แหละในขณะที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาได้พบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นให้พวกเราฟังให้พวกเราศึกษาถ้าพวกเราฟังและศึกษาแล้วพวกเราจะปฏิบัติตามตามทำคาสอน ที่ท่านได้ น, นำแนะนําสั่งสอนพวกเราจะมีแต่ความสุขออมีความสุขใจนะสุกกายไม่ต้องพูดถึงแล้วสุขใจถ้าคนมีธรรมในใจแล้วมีแต่ความสุขมีความเจริญมีความเบิกบานในจิตในใจนะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะขันธ์ัตยาธิโยมหลวงพ่อมาเห็นพวกเราเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจสมาทานศีลเป็นผู้รักษาศีลใส่ชุดขาว กล่าวว่าเป็นว่าแปลว่าเป็นผู้มุ่งมั่นในศีลในธรรมหลวงพ่อก็แนะนําให้พวกเราทัานทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติในศีลในธรรมในสมาธินั่นแหล ะ, นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธินั่นแหล ะ, นะเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องประพฤติปฏิบัติถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติได้แล้วนะมีแต่ความผาสุกศกุอื่นศกอื่นยิ่งกว่าฮ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัติสันติพลังสุขขังเป็นบาลีความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะนั้นพวกเรามีแต่ความคิดปุ่งฟุ้งตลอดมันเลยไม่รู้จากความสุขแต่ถ้าว่าจิตใจสงบแล้วมีความสุขอย่างไรพวกเราควรจะศึกษาสรุปแล้วคือตายแล้วไม่สูนะจะทาญาตโยมนะตายแล้วเกิดอีก วิญญาณออกจากร่างเหมือนจากที่หลวงพ่อได้พูดว่าพญาจิตรราชกายยนครน่ถูกเผาตายแน่นอนคนคนตายนั่นแนะแต่ว่าจิตใจดวงวิญญาณออกจากร่างออกจากร่างกายไปถ้ทางว่าใจดวงนั้นเป็นมีบุญมีกุศลออกไปแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีแต่หากว่าใจออกจากร่างไปแล้วไม่ได้สร้างบุญไม่ได้สร้างกุศล ใจตรงนั้นก็ไปสู่ทุกขติเพราะไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวไปด้วยนี่แหละให้พวกเราสั่งสมคุณงามความดีก็คือเป็นผู้มีบุญคนมีบุญก็เหมือนคนมีเงินจิตใจที่มีเงินดวงวิญญาณที่มีเงินพยาจิตตราธที่มีเงินติดกระเป๋าเพชรนินกินดาเต็มกระเป๋าไปหมดแต่ปัลโลกภายภาคหน้าไม่มีโจรไม่มีขโมยเป็นของใครของเราไม่เหมือนเมืองมนุษย์ เมืองนุษย์เนแย่งชิงกันได้คดโกงกันได้แต่เมืองปรโรกภายภาคหน้านั้นไม่มีใครคดโกงของใครของเราใครทําบุญอันไดไว้โพลนั้นก็ได้รับบุญบุญกุศลใครทําบาปไว้โพนนั้นก็ได้รับบาปพระกุศลเพราะพระพเจ้าท่านตรัสท่านบอกว่ากรรมชั่วอย่าทาเฉยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะให้ทําแต่กรรมดีท่านคนไทยคนไหนสร้างบุญสร้างกุศล เกิดในภพภูมิใดก็มีแต่ไปในทางที่ดีทางนั้นแหล ะ, ะถ้าว่าทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะพาไปทางตับไปทางตกตับเพราะฉะนั้นพวกเราได้พบพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดขอให้พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทน ะ, ะชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนคิดดูให้ดีก็แล้วกันพ่อแม่ปู่ย่าตายา ย, ายเราไปไหนเราจะอยู่โชวฟ้าดินสลายอย่างนั้นนะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพวกเราก็ยืน ยืมวันอยู่อีกเหมือนกันพรอพูดไอ้เจ้าท่านเปรียบเทียบกับเหมือนกับน้ําค้างบนใบบัวถ้าว่าน้ําค้างมันก็นกลิ่งไปกลิ่นมาแต่ทางลมพัดมาแรงๆมันก็ไหลจกตกไปนี้ก็เหมือนกันชีวิตของเราก็อยู่อย่างนั้นแหละเป็นอยู่เสี่ยงๆถ้าอีกไม่รอด ว, วันไหนละพร้อมที่จะล้มหายตายจากได้ทุกเวลำเวลาไม่มีใครที่จะยืนยันหรือ รับรองได้ว่าข้าจะอยู่นานเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่มีไม่มีใครรับรองเอา้าตอนนี้ก็หลวงพ่อพูดเพียงเท่านี้ก่อนนะ